ในวันนี้จะได้บรรยายพระธรรมเียกี่ยวกับในเรื่องของการเจริญเมตากในเรื่องของเมตารมวิหารเนี่ยเคยพูดไว้ค่อนข้างหลายครั้งแต่ในยาเห็งการนำไปปฏิบัติค่อนข้างเยอะไม่ค่อยจะได้ทำกันเป็นกิจกลักษณะทีนี้ในวันนี้ก็อยากจะเริ่มในลักษณะอย่างว่าในขณะที่พวกเราทั้งหลายฟัง อรวิหารธรรมในวันนี้เรื่องต้นก็ฟังพอเป็นกิจอลักษณะเล็กน้อยแล้วก็ฝึกในการที่จะเจริญพรมิหารโดยเฉพาะในข้อของเมตตาภาวนาที่เน้นในเรื่องการฝึกในเรื่องของเมตตาภาวนานั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเออทำยังไงเราจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย นำมาใช้ในชีวิตจริงๆไม่ได้เมื่อเราสามารถนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตจริงๆได้แล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญหรืออบรมเมตตานั้นจะได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงโดยส่วนมากเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะท่องแล้วก็จะบริกรรมกันว่าอาหารสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความปลูกยืนตัวหนึ่งนจะท่องแต่เฉพาะในเวลาที่ตรวจมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็เย็นหรือในขณะที่เราฟังถ้าทำจบแล้วก็มีการแผ่เมตตากันบ้างลักษณะแห่งการแผ่เมตตาหรือการท่องเมตตากันอย่างนั้นเนะี่ยอันนั้นไม่ได้ฝังแน่นไปในอัธยาศัยเป็นการพูดเมตตา หรือว่าท่องคำเมตตาโดยมากก็บางคนก็ท่องแบบเลยหองแต่ในจิตใจก็ไม่เกิดความลึกซึก้งหรือเกิดความท้าซึงในเมตตาพรหมวิหารไร้ทำเหที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการเจริญหรือการอบรมเมตตานั้นจะต้องประกอบด้วยความเข้าใจที่ท่องแท้ถ้าหากว่าขาดความเข้าใจที่ท่องแท้การอบรมหรือการเจริญเมตตาก็จะไม่ต่อเนื่อง ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการเจริญหรือการอบรมเมตตาเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ก็ฟังในเรื่องตั น, นี้มาค่อนข้างเยอะบางคนได้คิดว่าเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องพื้นพื้นที่จริงถ้าพูดถึงในเรื่องของเมตตาแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องพื้นพื้นนี่เพราะว่ารักขณะของเมตตาเนี่ยเป็นความรักเป็นความปรารถนาดี หรือเป็นความปรารถนาความสุขให้กับบุคคลอื่นแต่การที่จะเรามีจะมีความรักความปรารถนาดีความเพื่ออาทรตต่อคนอื่นอย่างแท้จริงได้นั้นก็จะต้องไปเห็นหรือรู้จักรักษณะที่แท้จริงของของเมตตาให้ดีถ้าไม่รู้จักรักษณะของที่แท้จริงของเมตตาเนี่ยเราก็เจริญเมตากันไม่ถึงในเบื้องต้นเนี้ยจะกล่าว ใจความของพระมวิหารโดยย่อแล้วก็จะขยายเข้าสู่บทเมตตาแล้วต่อไปก็จะนำพวกเราทั้งหลายเนี่ยในการที่ปฏิบัติคือฟังกรรมฐานกันไปด้วยคือฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็ทาจิตให้สงบแล้วก็ส่งใจไปกับอารมณ์กรรมฐานไปด้วยการทากรรมฐานอ่าง น, นี้กรรมฐานบางอย่าง เือถ้าไปทำคนเดียวแล้วมันไม่เดินถ้าใสบุคคลที่เขามีเมตตาหรือท่านที่รู้พอสมควรเนี่ยนาทางให้เนี่ยกออย่างนั้นไปได้เลยแต่มันมีข้อมแม้นในการอบรมในการเจริญเมตตาเนี่ยท่านผู้นั้นจะต้องบ่มอินรีมาดีนะิยินีข้อแรกคือศัทธินีคือจะต้องมีศรัทธาอย่างนะี้คือศรัทธาในอะไร ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าระดับไหนระดับที่มีความเชื่อมั่นและตั้งมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้ น, เ, นเป็นที่พึ่งให้กับเราได้จริงๆและเป็นที่พึ่งให้กับสัตว์โลกได้จริงและหนึ่งในจานวนนั้นก็เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ได้วยเพราะมีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตัวความเชื่อมั่นตัวศรัทธานี่แหละ จะเป็นตัวเปิดช่องทําให้เมตตาภาวนานั้นน่ยไหลเข้าสู่กระแสจิตใช่ไหมนอกจากเมตตาภาวนาไหลสู่กระแสจิตเพอาศัยเมตตาเป็นตัวเปิดช่องแล้วเนี่ยก็จะต้องอาศัยความเพียรความเพียรในการที่ว่าจะมีความบากบัน่นมีความพยายามในการที่จะทําให้กระแสจิตนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเ น, นื่องก็หมายความว่าทําเมตตานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเ น, นื่อง แบบไม่หยุดหย่อนมีความกล้ามีความเพียรมีความบากบัน่นมีความเพียรพยายามในอานที่จะลุกจากความเกียดค้านที่จะสร้างความภาคเพียรให้เกิดขึ้นที่จะประคับประคองเมตตานั้นให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นเขาเรียกว่าความเพียรประการต่อมาก็คือว่ามีสติสติในที่นั้นก็แปลว่าะระลึกนี้ มีความระลึกได้ระลึกว่าถ้าเราจะเจริญเมตตาให้กับตนเองถ้าเราจะเจริญเมตตาให้กับบุคคลอื่นหรือถ้าเราจะเจริญเมตตาให้กับบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นญาติหรือเป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจใด อันนั้นสติก็จะต้องเข้าไปตั้งมั่นในกลุ่มบุคคลันั้นค่อนข้างทัดเจอันนั้นก็แปลว่าจะต้องอาศัยสติเมื่ออาศัยสติในการที่เข้าระลึกบ่อยๆและตัวสมาธิก็ต้องไปตั้งมั่นในอารมณ์ันั้นที่เราจะเผยให้ดยประการสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ก็คือว่าปัญ ญ, ญาในการที่จะต้องรอบรู้ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นในเช่นเมตตาเพราะสภาวะของเมตตาเนี่ยบางครั้งมันก็ ต่างมันค้งก็เรก็<ๆ>บอกไม่ออกว่าลักษณะของเมตตาเป็นต้นนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นการกล่าวเยนะือนยันตัวนึงพระการแรกก็คือว่าการเจริญเมตตาเนี่ยเป็ในแง่ของด้านวิชาการทางด้านข้อมูลทางคําตอบเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมวิหารคําว่าพรหมวิหารเนี่ยนะวิหารแปลว่าเครื่องอยืนหรือว่าแปลว่าที่อยู่ ถ้าพรมิหารเนี่ยมาจากคาว่าพรหมุโนวิหารโรพรหมวิหารโรธรรมโมก็แปลว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมทำที่เป็นเครื่องอยู่ของพรหมเนี่ยชื่อว่าพรหมวิหารคําว่าพรหมเนี่ยในอัตถกถาหมูลปริยา ย, ยาสูตรเล่มที่สิบเจ็ดนะีบอกว่าเจริญแล้วด้วยคุณพิเศษเหล่านั้นจึงชื่อว่าพรหมหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกว่า คำว่าพรมในที่นั้นเป็นชื่อของท้ามหาพรมก็ได้เป็นชื่อของพระตถาคตก็ได้เป็นชื่อของธามเป็นชื่อของบิดามารดาหรือเป็นชื่อในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอันนั้นเขาเรียกว่าพรมแค่นั้นอีกศัพท์หนึ่งเนี่ยนะคำว่ามารดาบิดาเป็นพรมน้องบุตรฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ดู ให้ดูอะไรให้ดูว่าพ่อและแม่เนี่ยรักบุตรอย่างไรสมมติว่าพ่อแม่มีบุตรคนเดียวรักบุตรทนุธนอมบุตรมีความแนบแน่น ม, มีความชื่นชมก่อบุตรคนเดียวไม่ฉันใดลักษณะของจิตใจของพ่อแม่ที่ประเสริฐที่รักแล้วก็บูชาเอ่ยปาถนาดีต่อบุตรอันนั้นก็เป็นชื่อของพรหมนะามาเรียกของคําว่าเมตตา อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเทือดทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพรหมปริสัชชาพรหมปรุงตามหาพรหมมาปริตาภาเป็นต้นเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นชื่อของพรหมเขาเรียกว่าพรหมวิหารฉะนั้นคําว่าพรหมวิหารเนี่ยเขาเรียกคำที่เป็นเครื่องอยู่ของพรหมคำที่เป็นยุทเครื่องอยู่ของพรหมในที่นั้นน่ยท่านเน้นไปตัวที่ไม่ต่าง คำว่าเมตตาเนี่เป็นภาษาบาลีใยความหมายภาษาไทยนะถ้าถามว่าภาษาไทยนี่แปลว่าอะไรภาษาไทยเขาแปลว่าแปลว่าความรักเมตตาเนี่นะแปลว่าความรักความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยธรรมชาติใดย่อมรักและมีความเยื่อใยเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเมตตาฉะนั้นลักษณะของเมตตาเนี่ยวงดดอกถึงว่าธรรมชาติถือว่า ธรรมชาตินั้นมีอยู่ในนิสหรือย่อมเป็นไปแต่นิสธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าเมตตาอย่างนั้กันบางแห่งเขาก็เรียกว่าปรารถนาดีเรียกว่าเมตตาเรียกว่าไมตรีอย่างลยความปรารถนาดีความเอื้ออาทรเนี่ยก็ความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนลักษณะแห่งความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขเนี่ย ความสุขที่ที่ปรารถนานั้นก็คือว่าปรารถนาให้บุคคลนั้นประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งโดยความหมายก็ได้แก่ความเป็นมิตรปรารถนาดีต่อกันหรือชนผู้มีความปรารถนาให้คนอื่นหรือสัปพะสัตอื่นมีความสุขประสบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์อันนี้คือมิตร มีพุทธภากิตอยู่ตับหนึ่งด้วยมาตามิตตังสเตเคครีก็แปลว่ามารดาชื่อว่าเป็นมิตรในเรื อ, อนตนเขาบอกว่าในบ้านในเรือนของเราเนี่ยนะคนที่มิตรเป็นมิตรกับเราแท้ๆเน่ยคือพ่อและแม่ลองลองมาก็ครูบาญาณินมีถ้าใครพ่อแม่ไม่ดีแล้วก็แสดงว่ามิตรในเรือนเน่าหายไปแล้ว หมดละหมนิดในเรียนต็มอีกความหมายหนึ่งบุคคลสมควรทรําอริยชนท่าอริยเจ้าเป็นต้นให้เป็นนิตรหมายความว่าสหายเป็นนิดของผู้มีความต้องการหนึ่งหนึ่งหรือผู้ต้องการเกิดขึ้นสหายจป็นผู้ทำความสุขอริยชนก็ดีสหายก็ดีท่านเหล่านั้นต่างฝากหนาให้บุคคลอื่น หรือสัพพะสัตอื่นที่เกี่ยวพันกับตนนะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองประสบสิ่งที่ดีมีประโยชน์ฉะนั้นจึงชื่อว่ามิตรฉะนั้นคําว่ามิตรหรือคําว่าบุคคลที่มีเมตตาเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นมารดาคนที่เป็นผ้าริยาบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่มีความปรารถนาดีความหวังดีมีมิตรใตรีกับเราอย่างแท้จริง ไม่มี บ, บาปอกุศลก็ไปเกลียดจนกับจิตใจของบุคคลเราเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิตรทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้ทําความเข้าใจก่อนว่าความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยมีสองลักษณะมันเป็นรักเทียมเมตตาเทียมนั่นอย่างหนึ่งรักแท้และเมตตาแท้นั่นอย่างหนึ่งถ้ารักเทียมหรือเมตตาเทียมนนเนี่ยเนี่ย อันนี้เป็นความรักที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเช่นความรักระหว่างเพศเพศตรงข้ามความรักความเยี้ยวใหญในตัวต่อบุคคลหนึ่งความรักที่ต้องการเตจเวทนาหรือความสุขที่ได้จากสุขสัมผัสความรักในลักษณะอย่างนั้นเป็นความรักเทียนอันนี้เป็นเมตตาเทียนเขาเรียกว่าตัณหาเปรมะ ไม่ใช่การหาแท้นี้ลักษณะแห่งความรักความปรารถนาดีความสุขสัมผัสนะีละเช่นความสุขทางรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสของคนที่ตนรักเป็นความสุขของกุหุชนที่อยากให้บุคคลอื่นมาบำเรอความสุขให้กับตนเองเป็นความรักที่คับแคบเป็นความรักที่อิงตามมาสุขอิงเวทนา ลักษณะอย่างนี้เขาจึงบอกว่าเป็นการตอบสนองจุกเขเวทนาต่อกันและกันแต่เมื่อไม่สามารถตอบสนองให้กันและกันได้ความรักชนิดนี้ก็จะเสื่อมหายไปก็จะเกิดผลเสียหายตามมาอันนี้เขาจึงเรียกว่ารักเทียมไม่ใช่รักแท้ฉะนั้นรักเทียมนี่ยมีลักษณะคับแคบเจาะจงโดยตาเราบุคคลที่ตนรัก ตนถูกใจหรือชอบใจน่ะเป็นใหญ่เป็นความรักที่ยึดถือผูกพันเป็นความรักที่เกิดจากตัญหาเป็นความรักที่ต้องการเอาคนอื่นมาทำให้เรามีความสุขเป็นความรักที่ต้องการความครอบครองเป็นเจ้าของเป็นความรักที่เร่าล้อนลักษณะแห่งความรักเทียมอย่างนี้นะเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์มีจุดบกพร่อง อย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเมตตาเทียงไม่ควรเดี๋ย่นเงเมตตาเทียมนั้นเป็นธรรมะที่ควรละเป็นธรรมะที่ควรปล่อยวางเพราะว่ายิ่งเติดคุณก็ยิ่งนำไหยณะมาสู่ในที่สุดจริงๆก็ประสบใจความวิบัติความขัดเคืองตามมาอันนี้เริ่มจะมองเห็นได้นะว่าอันนี้เป็นรักเทียงไม่ใช่รักแท้ เขาเรียกว่าตันหาเป็นมะถ้าเป็นความรักที่เต็มไปได้วยความยึดถือเป็นไปได้วยความเร่าร้อนเนี่ยนะอันนั้นไม่ถูกต้องทีนี้ที่จะพูดถึงที่เราจะแผลที่เราจะอบรมที่เราจะจเจริญกันเนี่ยนะอันนี้เป็นความรักแท้ความรักแท้หมายถึงความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นที่ที่รักไม่มีความสุขประสบสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กัน เป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มีการเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีด้วยนะทำให้ใจเปิดกว้างผ่องใสแล้วก็เบิกบานต้องการให้ผู้ที่เรารักมีมความสุขและอยากทำทุกอย่างให้เขามีความสุขเลยอะไรที่จะเป็นความสุขก็ปรารถนาที่จะทำให้เขาเพื่ออย่างเนี้ยไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้คิดว่าการกะ ท, เทาเช่นนั้นมันจะได้อะไรตอบแทนไง แต่ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมื้ออาทรปรารถนาที่จะทําใำและขณนะความรักที่เป็นเมตตาแท้ๆเนี่ยเป็นความร่างที่จริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตของคนทุกคนพวกเราก็เคยมี ม, ม, มามากอย่างนั้นเนี่ยอุปมาเหมือนบอกว่าในชีวิตของพวกเรานี่นะเราเคยใช้น้ํากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําขุน่นน้ําใสเราก็ใช้กันมาสมมติเนี่ย ว่าเราไม่รู้จักว่าไอ้น้ําขุ่นมันมีโทษน้ําใสม่มีประโยชน์ เ, เราไม่รู้นะแต่เราก็ใช้น้ํากันมาเป็นชีวิ ต, ตจิตใจตื่นขึ้นม า, า, มาก็ใช้ชำระสาะใช้อาบบ้างใช้ดื่มบ้างใช้ซักเสื้อผ้าใช้ถูห้องบางอะไรบางก็ใช <lden și S 2> ้กันมาเป็นปกตินี่แหละแต่ก็แยกนี่ออกว่าอันนี้เป็นน้าสําหรับใช้นะอันนี้น้ําสําหรับดื่มนะอันนี้น้ําสําหรับซักเสื้อผ้าน้ําอันนี้สำหรับล้างเท้ากันด้วย ลักษณะของเมตตาแท้เมตตาเทียมในชีวิตจริงที่ผ่านมากลุ่มบุคคลที่ศึกษาไม่ดีก็แยนไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็มีความรักบุคคลนะบางครั้งก็รักแท้บางครั้งก็กงรกักเทียมเนี่ยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือแท้อันไหนคือเทียมเราก็เราก็รกักอ่ะเขาเรียกว่าใช้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นความรักฐานก็มาสู่กระแสจิตเราก็ดีใจแล้วขอให้เรามีความรักกับใครล้วก็ให้แล้วก็ปรารถนาดีแล้วก็เ อ, อือ้ออาทรล้วก็ช่วยเหลือไปเนี่ยจะ จะยึดติดหรือไม่ยึดติดจะเป็นประเภทที่เล่าร้อนตามมาเสียหายตามมาหรือเปล่าเราก็ไม่ได้แยกอันนั้นเขาเรียกว่ามองกลุ่มเมตตาไม่ออกแยกแยกเมตตาไม่ออกแต่พอวันใดวันหนึ่งเรามาศึกษาเรามาแยกแยะเรามาดูสภาวะธรรมเรามาสังเกตเหมือนเราสังเกตนะ้ําพอมีคนมาบอกว่าคุณต้องสังเกตนะถ้าลักษณะน้ําคุณมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเอาไปใช้หรือดื่มมากๆแล้วมันจะมีโรคนิ่วโรคอะไรต่างๆตามมาอีกเยอะนะเพราะงั้นเนี่ย ตัวแต่ถ้าหากว่าน้ําใสถ้าบริโภคเข้าไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณต่อร่างกายต่อมามันก็เริ่มเสืเ่เยอะพอเริ่มสังเกตแต่นี้ก็ก็เริ่มจะมาเยีเ่ยมยนะณที่นี้นก็มืนอย่างที่ผ่านมาเราศึกษาเรรทำคาสอนเราก็ยังไม่ได้แยกแยะ ว, ว่าอันไหนเมตตาแท้อันไหนเมตตาเทียมแต่พอเริ่มศึกษาหรือพอพอเริ่มเข้าใจแล้วนี่นะจากการอ่านจากการฟังจากการสนท่นาเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้ก็เริ่มมาแยกแยะ ว, ว่า ความรักแท้เป็นความสุขอย่างแท้จริงสามารถยังบุคคลอยู่ไม่มีความสุขด้วยทีนี้ถ้าหากจับประเด็นหรือข้อความตรงนี้ได้ความรักที่ปรารถนาจะได้อย่างเดียวเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของจิตใจยังบกพร่องไม่สมบูรณ์การรักผู้อื่นจนจนภาษาของการเรียกร้องผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นอันนั้นไม่ถูกต้องส่วนความรักที่ปรารถนาจะให้และต้องการได้ และเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจในระดับกลางๆาทั่วๆไปซึ่งยินดีในการสลักช่อเหลือเกื้อกูลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการตอบแทนด้วยอันนั้นก็เป็นความรักอีกเหมือนกันความรักที่ปรารถนาจะให้อย่างเดียวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่สมบูรณ์ดวงใจดวงจิตนี้พร้อมที่จะมีให้ความรักแล้วแต่สิ่งทั้งกวงทีม่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสรุปก็คือว่า เมตตาเนี่ยนะความปรารถนาต่อบุคคลที่ร่วมเนี่ยนะเกิดมาร่วมกันเนี่ยความเป็นมิตรต่อกันและกันความเป็นผู้มีความรักความสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นความรักที่เป็นอกุศลอันนั้นไม่ถูกส่วนความรักที่เป็นเมตตานั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เกิดจากปัญญาสุกขุมรุ่มลึกเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทน พร้อมที่จะเสีอสละความุกส่วนตัวให้แก่เพื่อนร่วมโลกเป็นต้นเหล่านี้เนยทีนี้ถ้าเราดูจากลักษณะของเมตตานี่นะเมตตามีความเป็นไปโดยอาการเพื่อกูนะเป็นลักษณะลักษณะของเมตตาเนี่เบื้องต้นก็คือว่าดูหน้าตาเขาก่อนเพราะเมตตาเนี่ยเขามีหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนเราจะคบคนก็ต้องดูหน้าตาเป็นอย่งนีทีนี้เราจะเจริญเมตตาเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าถ้าเมตตาเข้ามาอยู่ในใจเล้วเนี้ <c oughs> เราจะรู้ได้ไหอ ย, อย่างไงว่าตอนนี้ใจมีเมตตาหรือใจมีโทสะก็ต้องดูก่อนเมตตาเนี่ยนะมีอันนําประโยชน์เพื่อกูลไปให้เป็นเป็นลถมีความเป็นใจเดยร์การเพื่อกูลเป็นลักษณะแล้วยังไม่พอยังมีการ น, รนาํ า, ร า, านนประโยชน์ไปให้เขาด้วยเช่นถ้าเรามีตาใครมันก็จะนําประโยชน์ไปให้อ่านําประโยชน์ในปัจจุบันนี้ไปให้เช่นว่าบางทีเขาไม่มีเรือผ้า เห็นเสื้อผ้าดีๆก็ประาดนาเสื้อผ้าไปให้ น, นี่สมมตินี่เขาไม่มีข้าวเขาก็อยากเอาข้าวไปให้เขาเขาไม่มีอาหารก็อยากนำอาหารไปให้เขาอันนี้ประโยชน์ในปัจจุบันใช่ไหมเออเขาสุขภาพไม่ดีก็แนะนำทำให้เขามีสุขภาพที่ดีเขาขาดวิชาความรู้ก็แนะนำให้ความรู้แต่เขาไอ้กิจในการทำให้เขาอย่างนี้ก็เรียกทาด้วยมตาและในขณะทาไปก็ทาด้วย เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรร ม, แ, ม, กกรรมและใจที่คิดก็เป็นเมตตามโนกรรมด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าอืมประโยชน์ไปให้ยื่นประโยชน์ไปให้อันนี้คือจิตของเมตตาไป็นอนี้อันนี้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วที่ผ่านมามันก็เคยมีใช่ไหมครัแต่เราอาจจะไม่เคยตรึกให้มันละเอียดละออ น, นั่นเองว่าเมื่อเราเคยทํามาแล้วแอ่ลักษณะเช่นเนี้เคยทําเคยเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราอย่างนี้เขาเรียกว่า นำประโยชน์เพื่อกูลุ่ลยฮะบางครั้งก็นําประโยชน์ในยพบหน้าเช่นว่าเขาไม่มีศรัทธาบอกให้เขามีศรัทธาเขาไม่มีศีลน้อมนําให้เขามีศีลเขาไม่มีจาระคาไม่มีการบริจาคก็น้อมนําให้เขาบริจาคเขาไม่มีปัญญาก็แนะนําให้เขามีปัญญานี่เขาเรียกว่านําประโยชน์พบหน้าเลฮะบางทีก็น้อมนําปรามัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งเลยฮะคือชี้โทษว่าสังสารวัฏไม่มีภัยนะรอบด้า อู่ทกกบไผ่วาตะไผ่อาทีภัยเจอระภัยราชภัยเยอะแยะไผ่จากน้ำจากไฟจากลมจากโจรจากพระราชาจากโรคภัยในที่สุดก็จริงก็ภัยจากกิเลสไัยในการเยียวยาได้เจอเฉราะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเห็นไัยที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเหล่านี้ท่านบ่งปิดขาสามให้บริบูรณ์เพื่อจะพ้นจากสังสารวัฏเรื้อนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าน้อมปรมัภิษ์กับประโยชน์ไปให้ ที่เราน้อมไปให้หรือน้อมได้เพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาหรือยังเพราะมีเมตตาจึงได้น้อมประโยชน์เหล่านั้นไปให้เขาน้อมประโยชน์ในปัจจุบันบ้างน้อมประโยชน์ในภพหน้าบ้างน้อมประโยชน์อย่างยิ่งไปให้เขาบ้างอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีเมตตาเรามีความรักเรามีความปรารถนาดีนีเขาเรียกว่าน้อมประโยชน์เพื่อกูรไปให้ประการต่อไปถ้าเสังเกตบวกว่าเมตตานั้นจะมีหรือไม่มีก็คือว่า ดูในใจของเราบอกว่ามีการนําเอาอาฆาตออกไปเสียได้เป็นเครื่องปรากฏอาคาต ว, วัฏูทวัฏโทอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆา ต, รา ต, าาาตหรือความขัดเคืองวัฏโทอันเป็นที่ตั้งแห่งความมาคาตหรือความขัดเคืองในนี้บอกว่าเช่นว่าเขาว่าเราเนี่ยเขาตําหนิเราเขาเิ่งโทษเราเขาทําความเสียหายให้กับเราเขาจะทําความเสียหายให้กับเราเขากําลังทําความเสียหายให้กับเรา พอเราเจออารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งอาฆาตสามารถนําความอาฆาตนําจิตพยาบาทเหล่านั้นออกทิ้งโดยได้อันนี้แสดงว่าเมตตามันมีผลถ้าเ้าจัดตรงนี้ออกไม่ได้แสดงว่าเมตตาไม่มีผลเพรฉะนั้นเมตตาจะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยก็ต้องดูออกว่าเมื่อเราอบรมเมื่อเราเจริญเมื่อเราบ่มเมตตาแล้วเนี่ยไอ้ความอาฆาตความพยาบา ท, คว า, าบาทความคิดงุดหงินต่างๆเนี่ยมัน มันหายไปมันออกไปจากใจอันนี้เ็าเรียกว่านำมาคาดออกจา ป, ประการต่อมาก็คือว่ามีอันมองเห็นความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นที่น่าเจริญใจเป็นเหตุได้เห็นคนทุกคนก็มีความเบิกบานมีความเจริญใจหมดเลยเช่นเรานั่งในห้องประชุมฟังธรรมกันอยู่นี้เราก็ส่งจิตไปหาคนนั้นคนนี้ส่งไปหาใครทุกคนในใจเราก็เบิกบานหมดเลย แต่เวลาส่งไปแต่ละคนจิตก็เศร้าหมองคือมันไม่รักใครได้เลยเนี่ยแสดงว่ามิตรตังเราไม่มีเลยเนะมันแห้งแรงมากเลยแสดงว่าเราเสียหายมากเลยคือมองไปหาใครใจมันก็บดหดถูใจมันก็ไม่ไม่ยื่นประโยชน์ให้เขาเลยจะรักจะปรารถนาดีจะเอื้ออาทรจะหวังดีต่อเขาสักหน่อยเนี่ยไม่เกิดเลยมีแต่เศร้าหมองเศร้าซ้อยโหถูกมีปัญหาทางด้านความคิดแล้ว อย่างนี้มีปัญหาทั้งด้านความคิดแน่นอนถ้าเป็นคนไข้เขาเรียกว่าโคม่อยางนี้ต้องเข้าห้องไอซยูนึง ถ, ถ้าถ้าถ้บผู้ตามภาษาคนไทยแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจะตายแล้วคือตายจากคุณธรรมของพระอริยะทั้งหลายมนุษย์โลกในทุกวันเนี้ยโดยมากไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยใกล้ตายแล้ว แต่คว่าตายเลยที่นี้หมายว่าด้านจิตใจนะจิตใจมันหดหูมันท้อถอยมันเศร้าซ้อยมันหงอยเหงามันงวดหยุดมันตุ้งจ้านมันหาความเบิกบานหาความสํารานใจไม่ได้เลยมองไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างไม่ได้มีเมตตาธรรมเลยมองเห็นสัตว์ร่ฉานก็งวดหยุดแทนที่จะมเมตตาเขาเนี่ยนะมองเห็นคนอยู่ใกล้ๆ ก, ก็หวดหยุด เห็นทีไรก็แหมมันมันงุดงิดไปหมดเลยนะจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนป่วยนะกแล้ทั้งด้านจิตใจด้วยนะต้องแก้ไขวิธีแก้ไขก็คือว่าต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิแล้วอบรมเจริญเมตตาให้ได้ทีนี้การฝึกขัดอบรมในการที่จะเจริญเมตตานั้นเนี่ยต้องทําแบบมีรูปมีแบบมีร่องมีรอยนี่ไม่ใช่ทาแบบสเปะสะปะแบบประเภทที่ว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักมว ย, ยนี่เนี่ย แจะออกไปแข่งขันกับเขาแต่ไม่เคยฝึกต้อมไม่เคยฝึกขัดโดยสัมมวนก็คือว่าไม่มีครูฝึกเองเนี่ยคนที่ฝึกเองแบบไม่มีครูเนี่ยหนึ่งจะไปสับปะลงทิศหลงทางแต่เราท่านทั้งหลายนี่มีบุญกันหน่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูใช่ไหมพอมีพระพุทธเจ้าเป็นครูเนี่ยเออมีเราดีหน่อยเราก็อ่านํำของครูพระบรมครูเนี่ยของเราเนี่ยเอามาตรวจสอบดูแล้วก็ เอามาเดินตามเอามาอบลงทีนี้ถ้าพูดไปก็เป็นเชิงเหมือนดูถูกแต่จริงๆจะเนื่องจริงคนเก่งมากจริญเมตตากันไม่ถูกไอ้ที่บอกเจริญเมตตากันไม่ถูกเนี่ยจะบอกว่าเจริญเมตตาไม่เป็นก็ได้แต่เําว่าไม่ถูกก็ไม่เป็นเขาอันเดียวกันเลยคือเจริญไม่เป็นแต่คนเก่งมากท่องเมตตากันได้จะลองลองไป แต่หน้าให้ก็ไปถามเลยปทิศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแต่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเดี๋ยวได้มีเวรต่อกันและกันเลยเป็นต้นเขาว่างเขาได้หมดเละแต่คนคนนั้นน่ะที่โกรธมากที่สุดในเบื้องหลังหรือการจะทำเนะี่ยแต่เขาท่องเมตตาได้ได้ได้เก่นมากแม่วาพูดถึงตรงนี้ก็กระเทือนดึงพระที่จริงพระเนี่ยน่าจะเป็นตัวนำอย่างการแผ่เมตตาหรือจเจริญหรืออบรมเมตตาแต่ผล สุดท้ายที่ตามมาในสังคมทั่วๆไปอันนี้สักกะเพลียนถึงใครก็ขอขอภัยไม่เคยพูดธรรมะเพื่อกระทบตนและข่มวุ่นแต่พูดให้เห็นภาพเนมาว่าภาพระองค์ที่โกรธมากจริงๆอันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าเมตตาไม่เกิดทีนี้เมื่อเมตตาไม่เกิดเขาว่งบอกว่าท่านผู้นั้นเจริญเมตตาไม่ได้หรือเจริญเมตตาไม่ถูกอถ้าพูดตามภาษาหมอเขาบอกว่าคนไม่มีลูกหรือว่าเป็นหมันเลยถ้าเจริญเมตตาไม่ออก ก็เป็นหมันทั้งการเจริญเมตตาเนี่ยเจริญแล้วมั น, ม, นมันติดแค่ริมที่ปากอ่ะเวลาจะท่องเมตตาเนี่ยมันก็ติดอยู่แค่ลินที่ปากอ่องเมตตาไปได้แต่ใจโหดร้ายเนี่ยอันนี้แม่ลักษณะเมตตาไม่ได้เป็นในลั ก, ลกษณะนี้ท่านั้นเมตตาต้องมองเห็นบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นต้องเจริญตาเจริญใจเราทั้งเกียรตได้ไม่ยากถ้าเราฝึกเจริญเมตตาสักประมาณสามสิบนาทีประมาณชั่วโมงนี่นะ คิดไหมเอาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงเพื่อนคิดถึงบุคคลอื่นคิดถึงคนที่เขาไม่ชอบเราเราไม่ชอบเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไงใจมันเป็นปกติแล้วก็มีความรักความปรารถนาดีขจัดความมาคาดเหล่านั้นได้แสดงว่าเมตตาเริ่มมีผลต่อไปคิดถึงพวกกลุ่มสัตว์ไดรดั่ฉานคิดถึงเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นเนี่ยะพวกเทวดาเป็นต้นเหล่านี้ยใจก็มีความรักความปรารถนาดีความเอิจอาทน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 พยาบาทต้องไม่เกิดไม่ใช่ว่าถ้าเจริญเมตตาแล้วยิ่งงดมิจฉอันนี้ใช้ไม่ได้แม้แต่ผู้บรรยายเองเนี่ยนะถ้ากลายเป็นคนที่งดมิจฉ์เป็นคนพยาบาทอันนี้ผู้บรรยายก็ขาดเมตตาอันนี้จะใช้ไมได้อันนี้ดูไมยากนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพยายามจะแน่แนําให้ือนคนอื่นมีเมตตาแต่ตัวเองโทรศัพทเกิดง่ายมาเพราะว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้อันนี้เสียแล้วมีเสีย นี่เจะเข้าใจไนะหมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเนะี่ยเดี๋ยวตอไปจะได้ตั้งใจในการกระทําแล้วก็จะพยายามอธิบายตามตรงไปปัญหาก็คือว่าอะไรแหละเป็นความเสียหายของเมตตาเมตตากับตัณหานี่มันใกล้คิดกันมากไอ้ตัณหามีความใกล้คิดราคะโลภะเนี่ยใกล้คิดกับเมตตาเพราะเขามีสภาวะใกล้กัน ถ้าจเจริญเมตตาไปจเจริญเมตตาไปถ้าเกิดความรักแบบตันหาขึ้นมาปุ๊บเมตตาหายก็ได้เลยเข้าใจใช่ไหมสมมติว่าเทศตรงกันข้ามแล้วก็มันเป็นอันตรายมันร่อแหลมเอาเราไปแผร่เมตตาให้ใหม่ใหม่ที่ใจยังฝึกไม่ดีเนี่ยใหม่ใหม่มันรักแบบเมตตาพอคิดถึงไปคิดถึงไปราคะตามมาอันนี้เป็นความเสียหายไอตัวเสน่หาตัวตัวตันหาเนี่ย มันเป็นตัวกัดกร่อนหรือทำลายเมตตามอเห็นยว่าต้องระวังต้องระวังแล้วสภาพของเมตตามันจะเสียหายเพราะกันหานี่เป น, นี้อะไรอะไรคือเมตตาอะไรเป็นปฏิบฐานอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นลดอะไรเป็นปััฐานของเมตตาอะไรคือเมตตาย้อนหน่อยก็คือว่า มารดาบิดามองโดยบุตรน้อยคนเดียวของตนก็ทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่บุตรน้อยนี้อยู่ฉั้นใดผู้ปฏิบัติหรือบุคคลที่จะกอบรมเมตตาทำจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์เมตตานั้นบัณฑิตพึงรู้ว่าอย่างนี้นึกถึงคนที่มีลูกคนเดียวแล้วก็มีความรักความปรารถนาดี ความเอื้อทอนต่อบุตรเนี่ยนะอถ้าเราไม่มีบุตรล่ะเราจะรู้ไหมว่าไอ้คนที่เขารักบุตรเนี่ยรักยังไงเพราะเราก็เคยเกิดมาเราก็ต้องรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องถ้าสมมุติว่าเรามีบุตรถ้าไม่มีบุตรเนีนเรารักหลานไงนะถูกไหมเนี่ยเออเราเรารักเราปรารถนาดีนี่เราเรานึกอย่างนั้นไอ้ความที่เรามีความรักบุตรของตนเองปรารถนาดีบุตรกับบุตรตนเองอย่างไร ก็ไปนึกถึงกับคนอื่นแล้วเรามรักรักคนอื่นเหมือนรักบุญไหอต่างริบโลกเลยตรงนี้เริ่มเห็นใช่ไหมนีม่เมตตาไม่ออกนี่เมตตามันจำกัดวงแล้วทําความรักเหมือนรักบุตรนั่นแหละเป็นไปกับสัตว์อื่นเป็นไปกับบุนคคลอื่นทําได้ไหมทาแบบนั้นนะได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าทําไม่ได้เจริญเมตตาไม่ได้ถ้าเจริญเมตตาไม่ได้กรร ม, มาฐานอื่นทับไว้ก่อน อันนี้พื้นฐานประพัทธะ ก, กรรมฐานที่เป็นเมตายนั้นเอาไมาเ่เยอะเมตกรรมฐานอื่นก็เริ่มต้นยุบไปไหทีนี้ท่านจึงสอนเนะี่คนที่จะอบรมหรือจเจริญเมตานั้นให้รักตน่นทีเปองที่บอกว่าอาหารสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเลยนะอาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอาหอารอพยาประโชโหมิ ขอให้เข้าไปเจ้าย่าได้มีสิทธิดทะยบัดอาฆาตกองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยอาหารอันมีโคโหนมีขอให้เข้าไปเจ้าจะได้มีความรู้กายรู้ใจเลยอาหารสุขขีอัตานังปริหารามิขอให้เข้าไปเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตในให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปีนอันนี้เขาเรียกลักตนแผ่นี้ตายให้ตนอธิษฐานให้ตนเองนั้นประสบแต่ความสุขความวเจริญ สมปรารถนาที่ตนเองตั้งใจให้พรตนเองอย่างนี้ทํานะัไหถ้าทําได้ฉันเกิดความจับจิตจับใจนี่นะลึกซึ้นตนเองอย่างแท้จริงแล้วก็ส่งเมตัมนั้นให้กับบุคคลอื่นเหมือนกับให้ตนเองเขาจึงบอกความรักนี่เอาตนเองเป็นพยานแล้วแล้วเวลาแผ่ให้กับบุคคลอื่นก็จะได้ชัดเจนตรงนีน้นี่เป็นอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาปราถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ฉะนั้นเมตตานั้นเนี่ยท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือบัณฑิตทั้งหลายคึงรู้อย่างนี้ความสงบนิ่งแห่งจิตในการบําเพ็ญอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลปรากฏเราเรู้หรืว่าเมตตามันมีผลตรงไหนถ้าเราแพ่เมตตาไปเนี่ยจิตไม่สงบไม่ดิ่งไม่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างนี้นะ หรือในอารมณ์ที่เรากำลังมุ่งหวังไปนั้นอันนั้นบ่งบอกให้รู้ด้วยเลยว่าเมตตาไม่มีผลแต่ถ้าผลเมตตาเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนั้นน่จิตสงบดินงนิ่งออันนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตาเกิดเป็นผลแล้วมีสังเกต ด, ดูไม่ยากนะการกระทำความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะของเมตตา ทีนี้ความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่นะเป็นรถของเมตตาความไม่พยาบาทเป็นประทัดฐานของเมตตาเป็นต้นทีนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะเรเริ่มจะทำความเข้าใจให้ดีว่าปฏิปักษ์สิ่งที่เป็นศัตรูหรือสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อเมตตาเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้บังเกิดขึ้น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 มีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่ที่เป็นคุณด้วยกันเหมือนศัตรูของบุรุษที่อยู่ใกล้ชิดกันย่อมให้โอกาสทาร้ายได้เร็วกว่าศัตรูที่อยู่ไกลเขาถามบอกว่ า, วาทำไมไม่เป็นพยาบาทนะที่เป็นศัตรูใกล้ใช่ไหมทำไมจึงกลายเป็นราคะทำไมราคะจึงเป็นศัตรูใก ล, ใกล้เพราะราคะนี่อยู่ใกล้กับเมตตา เวลานิสิงที่จะทําลายเมตตาได้เร็วกว่าเขาที่สุดก็คือราคะเพื่อนพยาบาทฤที่ยเขาอยู่ไกลอยู่คนละทิศอยู่คนละประเภทแต่เวลาเมตตาในความรักเนี่ยเออมันรักเหมือนกันน่ะราคะก็รักเมตตาก็รักใช่ไหมรักแบบเมตตาเนี่เป็นความรักแบบประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ได้อย่างที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นก็ไว้ก็เร่าร้อน แต่รักแบบเมตตาเนี่ยมันรักแบบปล่อยวางรักแบบเบารักแบบเย็นรักแบบสบายมันต่างกันใช่ไหมทีนี้พอมันอยู่ใกล้ๆกันขึ้นมาเนี่ยมันจะคอยกระแทะและทําลายเมตตามันให้พังที่หนนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะรักลักษณะของความรักนี่เนะความรักเป็นตัณหาเนี่ยเป็นกิเลสเนี่ยไอ้พัววัตถุกรรมเนี่เนะรูปที่หน้าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจจนที่ตั้งแห่งความกําหนับเห็นได้ด้วยจักสุ เสียงที่น่าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกันหนัดซึ่งฟังก็ได้เกิดโสตตัดกลิ่นที่น่าปรารถนาน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกนัดรู้ได้โดยทางจมูกรสที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจรู้ได้โดยทางลิ้นโอทภะที่หน่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกนัดรู้ได้ด้วยทางกายเพราะฉะนั้นกิเลสคือราคาที่เรียกว่าราคานิสัยเนี่ย เป็นกิเรสที่อยู่ประจำซึ่งนอนฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของจิตใจของโลกีัสัตทุกๆจำพวกเว้นแต่พระอรหันต์ฉะนั้นกิเลสดังนี้จึง ม, มีอยู่แ ก, ก่ทุกคนเมื่อกิเลสประเภทเนี้ยมีอยู่แก่ทุกๆคนแล้วเนี่ยจึงจึงต้องคอยระมัดระวงังไอ้ตัวนี้วัตถุกรรมส่วนกิเลสกามก็คือว่าความพอใจรากเง่า ความพอใจความกำหนัดเป็นต้นเหล่านีน้ความที่เข้าไปยินดีทั้งหลายเหล่านี้ตรงนี้เราก็ต้องพยายามป้องกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าสึกใกล้ของเมตตาส่วนค่าสึกไกลของเมตตาได้แก่พยาบาทพยาบาทก็หมายถึงความขัดเคืองใจทิศ้ายพยาบาทความรู้สึกปองร้ายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสภาวะของของพยาบาท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 ท่านั่งที่ดีเนี่ยมันได้เปรียดไปเยอะจะเป็นท่านั่งที่นั่งได้นานแล้วก็สมาธิก็จะเกิดได้เลยบางคนบอกว่าการเจริญกรรมาฐานไม่จําเป็นต้องมีท่าคนคนนี้ไม่เข้าใจการกระทําทุกอย่างต้องมีท่ามีทางทั้งนั้นแม้แต่การอบรมหรือการเจริญกรรมาฐานเฉพาะเจริญสมาธิในด้านของฝึกเจริญเมตตาเป็นต้นก็จะต้องตั้งท่าให้ดี เหมือ น, นักกีฬาทั้งหลายเวลาจะต่อสู้คู่ต่อสู้ก็ต้องมีท่าอย่างนี้อย่างผู้ปฏิบัติหรือโยคีนักปฏิบัติทั้งหลายเวลาจะต่อสู้กับกีรติก็ต้องตั้งท่าเพราะฉะนั้นาการตั้งท่าเนี่ยก็เหมือนว่าเ อ, อเราจะจะตาลบเพื่อจะทำเมตตาให้เกิดขึ้นพอหลังจากทําท่าทางให้ดีเด็ดเสร็จแล้วก็คือว่าน้อมจิตก็เบื้องต้นเลยเนะ น้อมจิดและลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรืออิติปิโสพระวาอะรหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นก็คือว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหรือจะนาะโมตัดตาก็ได้พระก ว, ะตวะาตอะระหตโตสัมมาสัมพุทโธขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจัดกิเลสแต่จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นทํ า, าทไมต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนหมายถึงการขึ้นครู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 เราทั้งหลายจะทํำอริยสัพพะเก่าคือเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตเมื่อจะทําอริยสัพพะกล่าวคือเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตก็ต้องชําระจิตใจของตนเองให้สะอาดปราศาจากทีเลือเครื่องเศร้าหมองเครื่องเร่าร้อนจะทําความยุ่งยากใจทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าปริพโคตออกไปจากใจให้หมดไม่ว่าจะเป็นความกังวลในที่อยู่ความอกกังวลในอาหารการบริโภค ความกังวลในเสื้อผ้าความกังวลในการงานต่างๆเหล่านั้นตัดทิ้งให้หมดเลยตัดปริโเทื้เครื่องกังวลใหญ่ๆต่างๆเหล่านั้นออกไปจากกระแสจิตเสียว่าเราตอนนี้จับมนติการกรรมฐานของพระพุทมีพระพุทเจ้าซึ่งเป็นของสูงเป็นของใหญ่เป็นของละเอียดเปงของที่มีคุณค่าเพระนั้นเมื่อมนตรการหรือตั้งกระแสจิตไว้ได้อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็คือก็น้อมจิตระลึก ถึงตนเองทําเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเอืออ้อธรรมที่เกิดขึ้นในใจเรื่องแรกจริงๆเนนะท่านให้พิจารณาเห็นโทษของโทสะและให้พิจารณาเห็นอนิสงค์ของเมตตาทําไมจึงพิจารณาเห็นโทษของโทสะทําไมจึงต้องพิจารณาเห็นอนิสงค์ของเมตตาเพราะว่าโทสะเป็นคุณเครื่องที่ทําให้จิตนั้นเล่าร้อน โทสะนเนี่ยเนเป็นคนเครื่องที่ทำให้จิตนั้นเล่าร้อนเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วแล้วเราเล่าแล้วเนี่ยเนี่ยก็จัระงับโทสะนั่นได้ลักษณะที่บอกว่าเห็นโทษของโทสะแล้วก็เห็นคุณของขันติอะไรคือความหมายในเบื้องต้นการนึกถึงโทษของความโกรธและความขัดเคืองใจถ้าบุคคลโกรธหรือ ขัดเครืองใจขึ้นมาเมตตาจิตความคิดที่ประกอบไปได้วยเมตตาของเขาก็จะถูกเผาผลาญอย่างขึ้นเชิงและจิตของเขาก็จะไม่บริสุทธิ์ก็ให้พิจารณาดูบอกว่าโทสะเหมือนไฟเมตตาเหมือนน้ำถ้าโทสะเกิดขึ้นเผาแห้งหมเลยน้ำน้อยๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟนั้นได้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 คุณธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นก็จะเลือดแห้งและจะขายไปฉะนั้นให้เห็นโทษของโทสะอย่างนี้มันบอกว่าให้คนเอาเรื่อยมาตัดเราให้ขาดเป็นสองท่อนสามท่อนอยังดีกว่าถ้าใจเรามีโทสะไม่คิดอย่างนั้นเลยเพราพระพุทธเจ้าท่านอุปมาที่นี้ให้เห็นคุณของขันติ บอกพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นก็เพราะว่าได้อบรมหรือเจริญขันติเป็นต้นเแคะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นโทษของโทต่าเห็นคุณของขันติโดยประการต่างๆอย่างนี้แล้วก็นั่งหลับตาพอหลับตาเบ่เสร็จก็ละลึกถึงตนเองพอตามละลึกถึงตนเองเบื้องต้นเนี่ยก็ถามตนเองในใจว่า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 สำเร็จแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าโดยสะดวกขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าโดยง่ายขอให้เกิดขึ้นก่บข้าพเจ้าโดยสิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังหรือปรารถนาซึ่งเป็นความดีความงามนั้นขออย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางข้าพเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นความต้องการ ที่เราตั้งจิตปรารถนาอะไรต่างๆแบบนั้นเขาว่าเมื่อเราตั้งกระแ ส, สจิตไปในตนเองอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำกระแ ส, สจิตกล่าวคือความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวเลยว่าการที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นเกิดขึ้นในขณะนี้ได้ก็จะต้องทำศรัทธาให้เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้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 จะต้องเกิดขึ้นกับเราโดยแน่นอนแล้วเกิดขึ้นโดยเร็วและโดยง่ายด้วยเมื่อเรามีความเชื่อมีความต้องการมีความปรารถนามีความหรือมันมีความรักอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็แผ่ความปรารถนาให้พรตัวเองอยู่อย่างเนี้แล้วแล้วเราเราเขาเรียกว่าพาิตตวันก็แปลว่าทําเมตานั้นให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่อง แห่เมตานั้นให้เป็นไปเหมือนกัะกระแสน้ำให้เหมือนกับกระแสไปให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายเมือม่อเมตตาขณานี้หมดลงก็ทำเมตตาขณาใหม่ให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายเหมือนกระแสของน้ำไหลไหลาจากตกจากภูเขาตกจากหน้าผาน้ำนั้นไม่ขาดสายเนื้อันใด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 สาวซจากทุกมีใจเบิกบานต้นต้นขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีสิตทิพยบาดอาฆาตฟองร้ายเหยียดเบียนซึ่งใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกกายา <sh arp> ทุกใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิด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 ให้ค้นจากศัตรูทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกประสบแต่ความสุขและความเจริญอย่างต่อเนื่องแห่เมตตาให้กับตนเองแล้วแล้วล่าเล่าถ้าตนเองปรารถนาหรือหวังสิ่งใดก็ตั้งใจปรารถนาในสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเมื่อตั้งใจปรารถนาในสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องแต่ความปรารถนาของตนเองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นก็ยังศรัทธาให้ตั้งมั่นขึ้น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 ของข้าพเจ้าที่เป็นไจในก บ, บุญกักุณฑเหล่านี้จงสํำลึกผลโดยง่ายจงสํำลึกผลโดยเร็วโดยสะดวกโดยฉับพลันอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขีดขวางหรือมาขัดขวางน้อมมิตรลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าน้อมใจให้เป็นไจกับเมตตาเมืเ่อน้อมใจให้เป็นไจกับเมตตาในลักษณะอย่างนี้มีศรัทธาตั้งมั่นอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วก็ใช้วิริยะประคับประคอง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 เมื่อมองไปแล้วก็เห็นตัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ต่างๆนาน า, น า, นาพวกอาบายาสัตว์มีภกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ทะเเป็นต้นท่านเหล่านั้นเพาละความเพียรเวียนไปเป็นคนมากๆเรงกลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายในชีวิตเมื่อล้มละลายก็คือประสบความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนเราทั้งหลายพยายามตั้งความเพียรไม่พยายามทําให้ความเพียรนั้นน่ะมันถดถอยลงไป